สิบขออภัยที่โงนเพราะยิ่งใกล้กรียุคมันยิ่งน่าโงนแล้วเลี่ยงไปพูดว่าพระองค์มีพระประสงค์ลงโทษเขาเพราะเขาคนนั้นทำผิดทำชั่วทำไมพระเจ้าไม่ใช้อำนาจให้คนทุกคนทั้งโลกไม่ทำผิดไม่ทำชั่วเสียเลย พระองค์จะได้ไม่ต้องมาลงโทษเขาความผิดความชั่วเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถังๆ ท, ที่พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างใช่ไหมก็ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในมหาเอกภพพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างทั้งนั้นทั้งสิ้น และพระเจ้าก็ไม่ได้สร้างความผิดความชั่วด้วยแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็อีกแหละมีเสียงบอกว่าซาตานมารเกิดแฝงขึ้นมาในโลกพาคนผิดคนชั่วทั้งทางที่พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างมารไม่ได้สร้างซาตานเลยมิใช่หรือ แล้วมารซาตานนั่นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เลี่ยงไปอีกว่ามันแฝงมารมันแฝงมาได้ยังไงซึ่งความสามารถของซาตานนั้นทำแบบขัดแย้งกับพระเจ้าอยู่ตรงตรงมารหรือซาตานสามารถให้คนทำชั่ว ให้คนทุกข์ได้อย่างเป็นจริงพระเจ้าใหญ่ที่สุดในมหาเอกภพไม่ใช่เหรอทำไมมีซาตานบางอาจแย่งหรือแข่งพระเจ้าขึ้นมาได้อำนาจใครใหญ่กว่ากันแน่และยิ่งยุคนี้ความเลวร้ายยิ่งหนักหนาสาหัสสากัน ความชั่วความเลวร้ายยิ่งรุนแรงอย่างที่เป็นที่เห็นอยู่พระเจ้าก็ยิ่งถูกมารเบ่งอำนาจหนักขึ้นหนักขึ้นทำไมอำนาจมารยังเบ่งอยู่ได้